เป็นไงใครเห็นสมุทรยศัตร์เพิ่มบ้างหรือยังนึกถึงยังไม่ค่อยจะได้นึกเลยอย่างนี้ว่าตรงสารคนสอนแย่เลยนึกนะผมนองนึกเลยนึกว่ายังไงว่าไงนะอ๋อเป็นนึกเรื่องต่อมน้ำต่อ ไปทำปริญญาเรื่องต่อมน้ำต่อก็อก่อนก็ถามเหมือนกันนะเออนี่เห็นต่อมน้ำน่านึกยังไงก็เห็นอัธยาศัยหลากหลายจริงๆทายางของเราทั้งหลายศึกษาเถนะบินดสูตรมาใช่ไหมก็บอกว่าเวทนาขันประดุดต่อมน้ำทางกรุงเทพเขาไปท่องอารกะสูตร ที่อารกาศาสดาสอนเรื่องมรณานุสติเนี่เลเขาสมัยนั้นเขาอายุห0 0 0 0ปีแต่ว่าอารกศศาสดาเขาสอนว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยน้อยนิดหน่อยรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานนะคนดีพึงดูหมิ่นอายุนั้นเสียควรทำกุศลนะนะควรประพฤติคมมจันยร์เพราะว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีเราอุปมาใช่ไหม เหมือนอย่างว่าฝนตกหนักน้ำเม็ดเนี่ยนะฟองน้ําเกิดตอมน้ําก็เกิดขึ้นนะตั้งอยู่ไม่นานแม้ชันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันนะของทางหลวงเขาเจริญมรณานุสติของเราก็เพเนบินตสูตรก็อันเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าชีวิตเวทนาทั้งหลายก็มีชีวิตเป็นเครื่องอาศัยใช่ไหมชีวิตก็หล่อเลี้ย ง, ยง น, นั่นเลยสเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดวนั้นพระอรันต์ เอา那สูงสุดเลยนะในเรื่องของตันหานี่นะที่เป็นสมุทัยสัตว์ซึ่งตันหานั้นเขาต้องมีบริวารของเขาบริวารของตันหานั้นก็คือกรรมเนี่ยนะบริวารของตันหานี่กรรมแต่อวิชาในฐานะเป็นรากของตันหาหรือเป็นมูลแห่งตันหาในพระไตรปิฎกนิยมใช้คําว่ามูลของตันหา ละตันหาพร้อมทั้งรากได้แล้วหมายถึงว่าละตันหาพร้อมทั้งอวิชชาตันหานี้สิ่งที่เป็นปฏิปักษ์คือตัวที่เป็นปฏิปักษ์กับตันหาคืออะไรก็สมถะทั้งหลายนี่เป็นปฏิปักษ์ต่อตันหาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธินี่นะเป็นเครื่อง เผารุนตันหาให้ตันหานี่เหือดแห้งทานอาตาปีสัมปชาโนสติมาเนี่ยนะอาตาปีกับสติมาเนี่ยเป็นเป็นสมถะที่มุ่งกําจัดตันหาตันหานั้นเวลาเกิดขึ้นเนี่ยนะซึ่งโดยสภาวะของเขาก็คือความติดใจในอารมณ์ใช่ไหมถ้าแบ่งตามทวะแบ่งตามอารมณ์ก็จะได้ตันหาหรูปปัตนหาสัทธาตันหาคันธะตันหา ราษตัณหาโพธิภพตัณหาและธรรมะตัณหาตัณหาตัณหาเหล่านี้ถ้าแบ่งไปแล้วก็เป็นกามะตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหากามะตัณหานั้นเกิดกับอะไรกามะตัณหาถึงเกิดร่วมกับทิฏฐิก็ตามไม่เกิดร่วมกับทิฏฐิก็ตามกามะตัณหามุ่งเข้าไปเพลิดเพลินใน อารมณ์เป็นหลักเนี่ยนะมุ่งเข้าไปเพลดิดเพลินในอารมณ์เป็นหลักลักษณะนั้นเรียกว่ากามตัณหาในทีน่นี้เน้นเพลดิดเพลินในเบญจากามคุณเรียกว่ากามตัณหาซึ่งจะต่างจากคําว่าวัตถุกรรมเนี่ยนะกามตัณหากับวัตถุ ก, กรรมในคนละอย่างกันใช่ไหมวัตถุกรรมเนี่ยวัตะในภูมิสามทั้งหมดเรียกว่าวัตถุกรรมแต่ถ้าเป็นกามตัณหาเน้นเอาเฉพาะตัณหาที่เพลดิดเพลินในอารมณ์5 เพลิดเพลินในรูปเพลิดเพลินในเสียงเพลิดเพลินในกลิ่นเพลิดเพลินในลิ้นเพลิดเพลินในรสเพลิดเพลินในโพธพะเนี่ยนะรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะเนี่ยถ้าจะแบ่งสีก็ทิศถังใช่ไหมเสียงก็เป็นสุตังกลิ่นก็เป็นมุตังเนี่ยนะสีเนี่ยคือสิ่งที่ถูกเห็นเสียงนี่เป็นสิ่งที่ถูกฟัง กลิ่นรสโพธาพะเป็นสิ่งที่ถูกทราบนะ ต, ต้องต้องรับทราบเหมือนกันเถอะคาว่าทราบภาษาทางธรรมะหมายถึงอะไรที่เข้ามาถึงตัวสิ่งนั้นเรียกว่าทราบนะเช่น ก, กลิ่นนี่เข้ามาถึงจมูกเลยนะเลนเอรสก็เข้ามาถึงลิ้นกายก็เข้ามาถึงเออโพธภะสิโพธาภะนี่เข้าถึงกายเลยนี่เรียกว่าทราบนะนะแต่ว่าทราบภาษาไทยก็แปลว่ารับรู้นะรับรู้รับท ร, รบาบเหมือนกันนะ ทราบแล้วเปลี่ยนอันนี้ก็รับทราบเหมือนกันในอารมณ์ที่ทเป็นตัณหาเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงที่เป็นลักษณะของภาวะตัณหากับวิภวะตัณหาเนี่ยมากมากนะในภาภาภาพระไตรปิฎกเนี่ยเยอะเมื่อก่อนนี่ไม่เคยสังเกตก็นึกว่าเวลาแสดงทิฏิเหมือนกับว่าไม่แสดงสมุทัยสัตย์ ซึ่งจริงๆแล้วเมื่อกล่าวทิฐิที่ใดที่นั่นก็กล่าวสมุทัยอยู่แล้วเนี่ยนะถ้ากล่าวอุดเฉท ท, ทิฐิก็เท่ากับกล่าววิภวะตันหาถ้ากล่าวสัสจะทิฐิก็เท่ากับกล่าวภวะตันหาอยู่แล้วเนี่ยนะนะซึ่งเมื่อก่อนไม่ไม่ค่อยได้สังเกตนะนะไปฝึกสังเกตดูซึ่งของเราก็บอกอะไรนะต้องพูดตันหาเท่านั้นะจึงจะเออนี่สมุทัยอะนะเราชิ่งอะไรไม่เป็นเลยเอาทือท่อๆ อ, อย่างเดียว ใ่บ้านคุณเวลาวันนี้คงรู้จักกันแล้วนะจำเบอร์โทรเอาแล้วกันทวนอีกครั้งหนึ่งนะตัวกามตันหานี่อันนี้ก็คงคุ้นเคยแล้วใช่ไหมคุ้นเคยมากในชีวิตดอกไม้สวยอย่างนี้ ถ้าเป็นภวะตันหากับวิภาวะตันหาภาวะตันหาเนี่ยบางทีเนี่ยมีคำแทนเขาว่าอัตตาเนี่ยนะถ้าเป็นวิภาวะตัญหาเรียกว่านิรัตตาอัตตาก็คืออนนะไร หรือบ่วงที่เรียกว่าอีกศัพท์หนึ่งนะอัตติตาความมีอยู่ใช่มไหมนิรัติตาความไม่มีอยู่สรุปว่าพวกอัตาหรืออัตติตาพวกนี้นะ ถ้าอัตตาที่มาคู่กับนิรัติตาเนี่ยอัตตาตัวนี้หมายถึง ส, สตัตตถิฐินะพวกอัตตาอัตตาหรืออัติตาพวกนี้ก็หมายถึง ส, สัตตทิฐิถ้าพวกนิรัตินิรัตตาหรือว่านิรัติตาเนี่ยนะอันนี้หมายถึงอุเฉททิพระผู้มีพระตัดลายเลยว่าโลกโดยมากเป็นสองอย่างนี่แหละ ก็ดังที่ถามว่าตอนที่โรงงานลำไ ย, ยระเบิดตายตุม้มเนื้อลดเนื้อหลุดไปหมดเลยเราคิดยังไงต่อไปหายไปหมดเลยอย่างนี้หรือเปล่าเป็นยังไงคุณสุจินระเบิดตุม้มเนื้อหลุดไปหมดเลยเป็นยังไงครับนีาลองวิจารณ์ดูสิจไปยังไงนึกอะไรต่อไปศูนย์ไปเลยมีอยู่ เอาเอานึกยังไงเอาลองวาดดิอ๋อมันเกิดมันเกิดยังไงมันมันออกไปยังไงอ่ะไม่รู้ตกลงองไปยังไงคุณ น, น้องมันออกไปยังไงคะ น, นี่มันตุ้มแล้วมันวิ่งออกไปเลยหรือเล่ายังไง อ๋อโหลึกซึ้งมาก<ห> อ, อันนี้จังเท่าไงกัน <c oughs> คือตอบแล้วต อ, ตอบแล้วไม่เข้าใจเลยแบบนั้นเถอะสรุป <c oughs> ว่าให้มันชัดๆที่เป็นยังไง <c oughs> ตู้มค่ <c oughs> อ๋อก็ตอนตู้มตอนตู้มกับตอนตายใกล้ๆกันนั่นแหละแถวๆนันแะ <c oughs> ไม่เจ็บมาย มันสลายหมดเลยอะไนระมันตกตกตกลงเอาอยัางไงเนะี่ยเอาเอาวิเคราะห์เนี่ยถ้าวิเคราะห์ไม่ดีมันจะเข้าสองนี่แหละเนี่ยนะจะดูว่าจะเข้าอันไห น, ม, หนมันเป็นยังไงเหตุปัจจัยเนี่ยไม่ใช่ไอ้ตายเนี่ยมันตายแล้วมันตายยังไง คือคือสิ่งที่เขาคิดนะมันมันจริงๆแล้วมันบอกได้เลยว่าเขาเนี่ยเอียงไปทางทิิใดไม่เอาละม่คุยด้วยละคุณชูสิีระเบิดตุ้มขึ้นมาเลยเป็นยังไงลองวิจัยดูที่วิเคราะห์ดูอ๋อโอ้าลองนี่แย่เลยนะไม่ได้คุยกันแน่ <c oughs> มาเวรามาไปก่อนละ ไม่เราเราสมมติว่าเราได้ฟังข่าวว่าโ อ, อ้เนี่ยระเบิดตู้มตายไปเลยอย่างเงี้ยเราเราคิดว่าเป็นยังไง ถ้าโดดตึกตักโดดตึกตายเลยนะเกิดเหตสำคัญเนี่ยนะว่าอ น, นชีวิตมันดำเนินมาอย่างนี้ใช่มมาแล้วก็ส ล, ลายเรียกว่าอะไรนะตายเนี่ยสไลายไปเลย กายเนี่ยกระจายเลยนะทันทีเลย อ, ะอ่ะพวกสัสตตตถิถิเนี่ยนะเขาถือเลยว่าไอ้กายที่มันอยู่ข้างในเนี่ยหลุดออกไปเลยนั่นนะตัวที่อยู่ข้างในนะมันไปต่อเลยอย่างเงี้ยหรือเดินออกไปเลยนะคล้ายๆดูหนังผีไหอนั่นแหละเหมือนกับว่ามีใครสักคนหนึ่งเดินออกจากจากร่างออกไปนั่นน ะ, ะกลุ่มนั้นเป็นลักษณะของ โดยมากนะใครที่มีแนวความคิดอย่างนี้โดยมากลึกๆเขาคือสัสรธรทิฏฐิทวนว่าความเป็นปุตุชนไม่เคยเอาเรื่องนี้มาทําปริญญาเลยว่างั้นเถอะไม่เคยเอามาแยกแยะมาวิเคราะห์เลยกุมบญชูตอนที่คนไข้มองแท่งเนี่ยคิดยังไงเข็นออกมานี่คิดว่าเขาไปไหนไปดีแล้วหรือว่ายังไงอนน๋อไม่เขนออกเฉย ทันแดงคิดว่างไงตายไปแ ล, แ, ลแล้วกันไปแดงเอียงๆไปหาอุดเฉดโคนนเนี่ยหายไปเลยพวกนี้โดยมากนะอุดเฉดถ้าถ้าเป็นสายนี้เน่ยท น, น, นเกตดว่างไงาอ๋อเดี๋ย <laughs> วัวันนี้สาสตาเ <laughs> <laughs> พะกลัวผีสาสตา บางคนนะก็าตายไม่เชื่อว่ามันเกิดอีกแต่ว่ากลัวผีรู้แปลว่าอะไรก็ไม่รู้เกิพวกพวกเนี้ยนะสมมติว่าตอนนี้คือตอนสภาพที่เรียกว่าตายการที่จะวิเคราะห์ว่าตายแล้วจะไปอย่างไรเนี้ยก็ดูที่เรียกว่าก่อนตายเนี่ยนะเรียกว่ามรณาสันนวิถีก่อนตายเนี้ยมันจะมีความคิดขึ้นมาก่อนความคิดนั้น่ะมีอะไรเป็นอารมณ์ เช่นมีมีเสียงเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยนะเสียงในปัจจุบันอันนั้นแหละเป็นอารมณ์กรรมในอดีตคําว่าอดีตในที่นี้หมายถึงอดีตนี้อดีตก่อนหน้านั้นก็ได้อดี ต, ตชาติก็ได้มน่วงอันเนี้ยเป็นอารมณ์อ่านะกรรมเนี่ยมันงอันนี้เป็นอารมณ์และปฏิสนธิจิตมันก็เกิด ปฏิสนธิอันใหม่เนี่ยโดยที่มีเสียงเป็นอารมณ์เห็นไหมจริงๆแล้วกรรมเนี่ยเป็นตัวให้ปฏิสนธิกรรมเป็นตัวให้ปฏิสนธิมรณาสานวิถีเนี่ยเป็นตัวรับอารมณ์แล้วเหมือนกับว่ายโยนอารมณ์ไปให้ปฏิสนธิปฏิสนธิก็จะเกิดขึ้นโดยที่มีเสียงเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นภวังของคนนี้เนี่ยนะภวังของเขาทั้งหมดจนถึงจุติในภพต่อไปเนี่ยของเขาจะมีเสียงตลอดชาติ มีเสียงแต่ว่าอดีตอารมณ์มีเสียงเป็นอารมณ์ตลอดชาติเลยนนเน่นะ ค, คือหมายคําว่าเวลาเขาหลับสนิทเนี่ยนะสมมติว่าตอนที่ภวังเกิดเนี่ยตอนหลับตอนหลับนี่จิตใช่ไหมมีจิตจิตอันนั้นเรียกว่าภวังภวังก็มาจากภาวะบวกอังคะภาวะตัว น, นี้หมายถึงพบประเภทอุปติพบรู้กันว่าเป็นชื่อของ อุปาติภพแปลงวรวนเป็นพอพานก็หมายถึงอุปาติภพอุปัติภพของเขาเนี่ยหมายถึงตัวจิตและเจตสิกหมายถึงนามขันศีาติวิบากชาติวิบากอันนี้ตอนที่หลับก็มีเสียงเป็นอารมณ์ตลอดชาติหลับเมื่อไหร่ก็มีเสียงเป็นอารมณ์เมื่อนั้นแม้แต่สับสับทวาร น, นะจากเห็นไปได้ยินเนี่ยรวังจะขั้นก่อนก็มีเสียงเป็นอารมณ์ พวังนี่จะมีเสียงเป็นอารมณ์ตลอดเลยถ้าก่อนตายมีเสียงเป็นอารมณ์มันโดยหลักการตามตามที่เป็นจริงแล้วก่อนจะตายจะมีอารมณ์มนุิการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเสียงมรณาสันนิชตัวนี้เนี่ยเป็นอุปนิสัยที่สําคัญต่อปฏิสนธิกรรมในอดีตก็มานําปฏิสนธิเลยก็มีเสียงเป็นอารมณ์ก็มีพบใหม่แต่ว่าปฏิสนธินี้ก็พบสาม แต่ที่แน่ๆก็อย่างนี้โดยมากไม่ได้ชานก็กามมาพบนั่นแหละที่ใดที่หนึ่ง <c oughs> คือการตายเนี่ยนะาการตายเนี่ยมรณาสันนวิถีเรียกว่ามรณาสันนวิถีหรือมรณาสันนการก่อนนะถ้ามรณาสันนการอาจจะเจวันภายในก่อนตายนะเรียกมรณาสันนการการที่ก่อนตายส่วนมรณาสันนวิถีหมายถึงวิถีจิตเกิดก่อนจุติจิตเกิด คำว่าจุติสมมติตรงนี้เป็นจุติจิตจุติจิตนี่เป็นเหมือนกันกันกบตอนปฏิสนธิเช่นว่าผู้ใดปฏิสนธิด้วยมหาวิบากดวงที่หนึ่งภวังของเขาก็เป็นมหาวิบากดวงที่หนึ่งตลอดชาติแล้วก็ตอนจุติก็เป็นมหาวิบากดวงที่หนึ่งอีกอย่างยกตัวอย่างเลย พระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ปฏิสนธิก็มหาวิาวบาบคลงที่หนึ่งพวังของพระองค์ตลอดชีวิตก็มหาวิบากคลวงที่หนึ่งตอนที่พระองค์จุติจิตที่เรียกว่าดับขันปริณีพานก็ดับด้วยจิตดวงที่หนึ่งโดวยวิบากจิตดวงที่หนึ่งถ้าเป็นบุคคลทั่วทั่วไปจุติเนี่ยนะจุติยังไงสา ม, มารถตายแบบปัญจทวารวิถีตายก็ได้ปัญจทวารวิถีเสร็จแล้วจุติ หรือมโนทวารวิถีแล้วก็ต่อด้วยจุตินะก่อนจะตายนะก่อนที่ก่อนที่จะสลายร่างเนี่ยก็จะมีอารมณ์อย่างนี้ก่อนการพูดถึงวิถีจิตก่อนตายเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ที่จะได้กล่าวว่าอารมณ์ของพบใหม่เนี่ยควรจะเป็นควรจะเป็นที่ไหนดั่งที่กล่าวว่า ขอมาอุปมาเองว่าไอ้ปัญจาทาวารมโนทาวารมในมรณาสันนวิถีมันเหมือนนายหน้าเนีย่ยนะนายหน้าพาไปต่างประเทศเนีย่ยนะว่าเขาจะพาเราไปประเทศใดอยู่ที่นายหน้าเนีย่ยนะจะถูกหลอกถูกโกงหรือจะไปดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่นายหน้าพราะวิถีจิตก่อนตายเหมือนกับนายหน้า สมุท่าตายด้วยปัญจัวารเอาเอ า, เอาตายแบบแบบดีเนาะตายแบบดีเช่นเขาก็บอกว่านี่นะดูดูนะดูข้าวดูอะไรก็ได้นี่นี่ของที่กำลังเอาทำพุทธบูชาให้ท่านเขาก็มีดูสีอันนั้นแหละหรือดูภาพพระพุทธ ร, รูปดูรูปพระเจดีย์เป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็จุติอันนี้ในหน้าดีปฏิสนธิก็มนุษย์กับเทวดา เนะมนุษย์กับเทวดาก็จะเกิดขึ้นอาจจะโดยทั่วๆไปแล้วอะ่ะกรรมในอดีตนะกุศลกรรมในอดีตตอนใดตอนหนึ่งที่ทำไวแล้วอะ่ะดวงที่ท่าชาติของของชาตินี้นะดวงที่เจ็ดของชาตินี้ดวงใดดวงหนึ่งพการเอาตอนเอาดวงไหนไปเอาตัวถวายพรมเนาะหรอเอาตัวศีลอุโบสถ ด, ดิ อเอาพุทธคุณนะเอาตอนจะเอาเอาตัวที่เจริญพุทธคุณนั้นมีปีติหน่อยเนาะมันก็กรรมตัวนั้นอนะ่ะเป็นตัวมานำเกิดโดยที่มีสีเป็นอารมณ์สีเช่นอย่างที่ว่าสีเจดีก็ได้ถ้าก่อนตายเนี่ยเห็นรูปเจดีดูใช่ัหมเป็นคนสมมติว่าเป็นคนที่ซึ่งในเจดีเห็นภาพเจดีสวยก่อนตายดูเจดียสร็จว่าค้างตายเลยอะ่ะเพราะฉะนั้น ชาติต่อไปเขาจะมีเจดีตลอดชาติเป็นอารมณ์แต่ว่าไม่ได้แปลว่ากรรมตรงนี้ตัวนำเกิดนะตรงนี้เป็นเหมือนกับในหน้าก็กรรมในอดีตถ้าชาตินี้อาจจะดวงที่7ดวงใดดวงหนึ่งหรือดวงที่สองถึงดวงที่หถอยหลังไปเป็นแสนโกรธกับมาเป็นตัวให้ผลนำเกิด ถ้ากรรมในชาตินี้มาให้ผลนําเกิดอย่างนี้เรียกว่าอุปปชะเวทนิยกรรมนะกรรมประเภทอุปปชะเวทนียกรรมมาให้ผลนําเกิดถ้าดวงที่2ถึงดวงที่6เมื่อแสนโกรธกลับเป็นต้นนะถอยหลังชาติที่สไปด้วยอะ่ะพวกนี้เรียกว่าอปราปริยะเวทนิยกรรม อ่ะปราปรภะเวทนิยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมามาให้ผลนำเกิดมันถ้าก่อนตายมีสีเป็นอารมณ์ดังที่กล่าวไปบางคนเนี่ยฟังเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งจนตายใช่ไหมเสียงอะไรดีเสียงร้องไห้ของลูกหลานสนใจไหมไม่น่าปรารถนานเลยนะเสียงร้องไห้ของลูกหลานนะลูกหลานร้องไห้ไล่หนีให้หมดเห็นไไปร้องข้างนอก เสียงระเบิดตุม้มอย่างเนี้ยนะโอ้ยอย่างงี้ส่วนใหญ่นะวิถีจิตโทสะนะถ้าโทสะก็อบายซีนะก็เลือกเอาก็แล้วกันแถวนะเป็นอะไรดีแต่โดยทั่วๆไปที่เรียกว่าผีหลอกเนี่ยนะที่เรียกว่าตาแล้วเป็นผีเนี่ยส่วนใหญ่อันนี้หมายถึงเท่ากับส่วนใหญ่หมายถึงเปรตเอ่อมันมันตัวเนี่ย ตัวกหนดว่าถ้าตัวนี้นะเงื่อนไขก็ว่าถ้ากุศลจิตเกิดก่อนตายสุขติถ้าอกุศลจิตเกิดก่อนตายทุกคติขึ้นอยู่กับวิถีจิตก่อนตายถ้ามีเสียงเป็นอารมณ์อย่างเช่นตูม้มเมื่อกี้เนะี่ยโทสะถ้าโทสะก็ก็ภาคก็สวดไม่ขึ้นว่าไง ก็ดูว่าก่อนตายเนี่ยอะไรที่มันชัดที่สุดของเขาอ่ะคือคือก่อนตายเนี่ยนะวิเอา น, นี่เราวิเคราะห์วิถีสุดท้ายแล้วว่าจะข้ามไปตรงไหนแทนเนี่ยนะมันก็ฝึกฝึกฝึกไว้ให้ดีนะจ่นิสั่งเสียงอะไรดีถ้าเสียงนะบางคนเนี่ยมีกลิ่นก็ได้มีกลิ่นเป็นอารมณ์เช่นเคยปกตินะเอา ไปจุดทูบบูชาพระเจดีย์เอาไว้เยอะพราะพอได้กลิ่นทูบปัป๊บก็ไปดีใช่ไหมแต่ถ้ากลิ่นทูบธรรมดาไม่เคยเข้าวัดเลยนะได้กลิ่นทูบเมื่อไหร่นี่โทสะเกิดนะมันแช่งกันนี่หว่าแต่ถ้าปกตินี่จุดทูบบูชาพระมาะตลอดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมแต่ตมาไม่ค่อยได้จุดทูบแล้วใครมาจุดให้นะตื่นขึ้นมาดา่าแล้วก็ต้อยตายอย่างงี้รู้เป่าเสียหายมากนะอย่างนั้นนะ่ะ แต่นี้หมายถึงเช่นอคนนั้นอ่ะเขาเขาเอาอาหารไปไปไปให้ทานไปทําบุญหรือดอกไม้ทั้งหลายเขาก็เอาดอกไม้เนี่ยไปยื่นที่จมกูกเออเนี่ยเนี่ยดอกไม้อันนี้นะที่คุณเคยทําบุญอย่างนั้นอย่างนี้นะก็ก็ป่ารบไปดอกนี้มีกลิ่นว่ามันมองดอกนี้ไม่มีกลิ่นไอ้ดอกนี้หมดสิทธิ์เลยนะผมว่าดอกมะลิก็แล้วกันเนี่ยนะเป็นเป็นผู้มกมีปกติเอาดอกมะลิบูชาพระเนี่ยนะนะเขาก็ ลูกหลานก็บอกว่านี่นะจ ะ, อะดอกไม้กลิ่นอันนี้แหละเอาไปทำบูชาให้เอาไปทำบุญให้ลูกหลานก็จะได้กลิ่นลูกหลานเอายื่นกลิ่นไปให้ก็ได้กลิ่นหายใจแล้วก็จุติเลยอย่างเงี้ยพวกนี้ชาติต่อไปก็มีกลิ่นทั้งชาติเนี่ยพวกนี้จริงๆลูกหลานมีผลมากเลยนะที่จะชี้ว่าไปเกิดที่ไหนดี เอ่อถ้าถ้าถ้าคตินิมิรับแล้วเหมือนหลับสนิทเนี่ยนะหมดสิทธิ์เลยถ้าเป็นลักษณะเหมือนหลับไปแล้วเนี่ยนะเพราะช่วงเขาหลับไปแล้วเนี่ยเขามีอารมณ์ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มณนาสิการในปัญจทวารเนี่ยอันนั้นก็อยู่เหมือนอยู่ในโลกของความฝันไปแล้วเนี่ยถ้าจุติก็ก็โลกของเขาไปเลย ทีนี้ถ้ามีสีมีเสียงมีกลิ่นบางคนก็มีรสนะ mm. เช่นเอาน้ําผึ้งเนี่ยเป็นปณิเพื่ผู้มีปกติเอาเอาน้ําผึ้งทําบุญใช่ไหมเนี่ย น, น้ําผึ้งนี่นะไปทําบุญให้ก็เอาไปแตะลิ้นให้ให้รู้รสแล้วก็รู้รสเสร็จแล้วก็ตาย mm. ก็ปฏิสิสทธิณที่ที่ดีหรือโพธภาพ์เนี่ยนะโพธภาษ์ก็ก็บอกว่าก่อนจะตายก็ให้จับผ้าเออเนี่ยผ้านี่นะเคยไปบูชาพระก็รูปผ้าสันหน่อยรูปผ้าก็จุติเลยอย่างเงี้ยคนนี้ก็มีผ้าเป็นอารมณ์ก่อนตาย ถ้ารถมันตบันกันนะ่ะจะมีอะไรเป็นอารมณ์ดีแคนี <c> ้ <oughs> มีทุกขากายยะวิญญาณก็ตัวใครตัวใครแล้วกัดีอันนี้ก็พวกพวกอารมณ์พวกนี้ก็ก่อนตายที่ดีแต่ถ้าเป็นมโนทวานปัญจทวานนะอารมณ์ต้องเป็นปัจจุบันขณะนั้นอารมณ์เฉพาะหน้าที่ที่ไปปรากฏมีอารมณ์จริงๆเฉพาะหน้ากับคนตายอัน น, นัอันนี้แหละเรียกว่าตายแบบปัญจทวาน แต่ถ้าตายด้วยมโนทวารก่อนมโนทวารก่อนก็จะรับอะไรก่อนกรร ม, มนิมิตอ่าหนึ่งนะกรร ม, มะกรร ม, มนิมิตกรร ม, มนิมิตก็คือเครื่องมือในการทํากรรมว่าเช่นไปปูพรมมาแล้วพรมแวบขึ้นมาก่อนตายนึกถึงพรมอย่างเงี้ยนะพรมที่ไปปูนั้นเป็นกรร ม, มนิมิตยมนงถ้าแวบผ่านนั้นมาที่จะไปบูชาพระเนี่ยนะ ถ้าผ้าแวบมานี่ก็เป็นกรรมนิมิตอย่างเงี้ยหรือดอกไม้เนี่ยแวบขึ้นมาในความคิดก็เป็นอันนี้ภาพเมืนี้เป็นกรรมนิมิตอารมณ์ดอกไม้ไม่เอาเลยเอาก็เราทําบุญไว้แล้วอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เอาเลย น, นะแต่ไปดีใจกับแกด้วยนะเสร็จเลยนะเขาเดียวเขามีเรื่องนะเขามีเรื่องเรื่องนึง สามีภรรยาเขาทำบุญแล้วก็ชวนกันตั้งความปรารถนาพระนิพพานกันอพระคุณเจ้ารู้ทำได้ก็โยมรู้ทำนั้นด้วยนะทำบุญกับพระทหันตั้งความปรารถนาใช่ไหมแม่บ้านเขาเป็นคนขี้เล่นก็บอกว่าเดี๋ยวก็เป็นนักร้องกันก็ว่าเออเป็นแม่บ้านก็เลยเป็นนักร้องเลยนะพ่อบ้านก็เลยไอความที่ไปยินดีด้วยที่เขาว่าเออนักร้องกันนักร้องเลยก็ดีใจไปกับเขาอ่ะตอนหลังเมียก็เกิดมาเป็นตระกูลนักร้องเลย สามีก็พอเห็นเมียคนเห็นผู้หญิงคนนั้นก็ชอบเลยไม่อดข้าวอดน้ำเลยขอให้เอาเมียคนนี้แหละก็เลยไปเป็นนักร้องกับเขาไปเลยตอนหลังก็บวชชื่ออุกเสณพระอุกเสณเทระเนี่ยนะก็อ น, นอดีตชาติเนี่ยเพราะว่าคุยเล่นๆ เ, เนี่ยนะมันจะได้จริงไหมพยมนงไปนุมโมทนาด้วยก็มีติดนะแต่ดีแล้วปฏิเสธไปแล้ว <c oughs> เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ฟังทำเลยเนาะ อาวตัดธนาปัญญางั้นก็พิจารณาดอกไม้ไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวมันก็เฉาแล้วญญ น, น, นะนะถ้าเจริญปัญญานะหรือต่อไปพวกนี้เป็นกรรมนิมิตนะก็ใครนึกถึงอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งไปไหว้พระเจดีมาเยอะก็องค์พระเจดีนึกถึงองค์พระเจดีที่เราเคยไปกราบไปไหว้นึกถึงดอกไม้ทูบเทียนนึกถึงข้าวน้ําเป็นต้นที่เราเคยไปทําบุญ หรือนึกถึงพระไตรปิฎกที่เคยอ่านเนี่ยนะนึกถึงตัวพระไตรปิฎกเล่มพระไตรปิฎกภาพพระไตรปิฎกพวกนี้เป็นระลึกถึงกรรมมณิมิตเนี่ยนะก็ถ้าเป็นพวกกรรมมอารมณ์ก็กรรมาอารมณ์ก็พวกนี้ก็นึกถึงส บ, บุญที่ตัวเองได้เคยทำมาอยางที่เช่นว่าและลึกถึงกุศลที่เจริญมาทั้งหมดเลยนะ คล้ายๆกับอ่านบัญชีกุศลเนี่ยไปทำกุศลอะไรบ้างก็ฟังบัญชีกุศลตัวเองไปเรื่อยๆแลลึกถอยหลังว่าทำกุศลอะไรมาพวกนี้อารมณ์มนั้นก็เป็นกรรมมะอารมณ์นึกถึงบุญที่ตัวเองได้เคยทำขอมานะท่านนึกถึงกรรมมะอารมณ์ได้นะอะไรรู้ไหมก็ที่แสดงคำเนี่ยเจตนาที่พูดธรรมะนะเามาพูดไม่น้อยกว่านึ0พันชั่วโมง ท่านก็โอ้น่าจะนึกได้นะนึกถึงจังหวัดไหนบ้างที่เราไม่ได้พูดธรรมะไว้อันนั้นก็มีเสียงเป็นอารมณ์